ข้อความในปฏิสัมพิธามัชต่อจากครั้งที่แล้วนะครับข้อความในปฏิสัมพิธามัชปริญญาญาพิเทศหรือปริญญาธรรมธรรมที่ควรกำหนดรู้นั้นธรรมที่ควรกำหนดรู้นั้นอมความถึงอริยสัจ ท, ทั้งหมดเลยทั้งทุกก็ชื่อว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สมุทัยก็ชื่อว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ นิโรธก็เชื่อว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้อริยมรต ก, ก็เชื่อว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้คือควรเป็นปริญยาธรรมนะเป็นธรรมที่ควรรู้รอบรู้ให้ละเอียดลึกซึง้งถ้าเป็นไปได้รู้แล้วบรรลุมรรคผลนั่นแหละดีที่สุดดังนั้นการรู้ควรรู้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ความรู้ใดถ้ารู้สิ่งนั้นรู้แล้วพ้นทุกข์ได้ความรู้นั้นชื่อว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐ การเรียนถ้าทำก็เหมือนกันเป็นการเรียนเป็นการศึกษาเพื่อความพ้นทุก์เนี่ยนะอย่างการรอบรู้หรือปริญญาที่รู้แล้วพ้นทุกข์เนี่ยอย่างเราเรียนไปครั้งที่แล้วกล่าวถึงลักษณะของอริยมรรคเนี่ยนะว่าสภาพของอริยมรรคนั้นเวลาที่เขาเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรซึ่งมรรคเหล่านี้โซดาปฏิมรรคเป็นต้นเนี่ย เป็นธรรมที่เราทั้งหลายเวลาเจริญกุศลให้ทานรักษาศีลหรือเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดอารยมรรคเนี่ยนะเพราะนั้นความที่บุญน้อยเวลาเรียนอารยมรรคเลยก็เลยไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่เพราะนั้นไม่น่าละท่านจึงให้ทําบุญตั้งความปรารถนามาก่อนถ้าไม่ได้ทําบุญตั้งความปรารถนามาก่อนเนี่ยแม้แต่ฟังยังจะยากที่จะฟังได้เหมือนก้ น, น, น ให้ได้ยินเสียงแว่วๆผ่านหูยังกะยากเลยทีนี้ถ้าผ่านหูแล้วทรงจำเอาไว้ได้เอาไปคร้ครวนเอาไปพิจารณานี่ก็ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าการแสดงธรรมะระดับนี้เป็นการแสดงกำหนดเจาะจงไปที่สภาวะแห่งคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอย่างมาดูวิสัชนาสี่ข้อเนี่ยนะโดยสา ม, มารถแห่งสมถวิปัสนาว่า ลักษณะของสมถะนั้นคือความไม่ฟุ้งซ่านหรือความไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมถะฉนั้นแสดงว่าเมื่อใดที่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ใช่ความสงบเมื่อก่อนในสงสัยว่าทําไมศีลจึงอยู่ในหมวดว่าด้วยสมถะเพราะคําว่าสมถะนี่กว้าง สมถานั้นคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเนี่ยนะก็เราลองมิจฉาวาจาดูสักคำหนึ่งจะรู้ว่าความฟุ้งร้านเกิดทันทีเลยเนี่ยนะไปพูดคำใดคำหนึ่งที่ไม่สมควรจะพูดหรือไปพูดผิดการเข้าหน่อยหนึ่งนะใจนี้ไม่สมถะแล้วนะอุทธาจามันกำเริบแทนหรือเราไปทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไปทำอะไรพลาด การทำผิดทำพลาดทางกายและวาจาก็เป็นเหตุให้ฟุง้งซ่าะะนทั้นความประพฤติชอบทางกายและวาจานั้นจึงเป็นสมถะเพราะสา ม, มารถทําให้เกิดความสงบได้ทําให้เกิดความระ ง, งับได้นั้นคําว่าสมถะนั้นจึงเป็นความสงบระ ง, งับความไม่ฟุง้งซ่านผู้ใดที่มากไปด้วยมิจฉาวาจาผู้นั้นก็ฟุง้งซ่าน ผู้ใดมากไปด้วยมิจฉากรรมมันตะหรือมีมิจฉากรรมมันตะผู้นั้นก็ฟุง้งซ่านไม่ต้องกล่าวไปใหญ่ถึงมิจฉาอาชีพหรือผู้ที่เกียรติค้านผู้ที่เกียรติค้านไม่มีความเพียรบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ด้วยความฟุง้งซ่านคนที่มีสติหลงลืมและเลิอกอะไรก็ไม่ได้พวกนี้ก็ฟุง้งซ่านหรือผู้ที่จิตไม่มั่นคงผู้ที่มีจิตไม่มั่นคงก็มีความ ฟุง้งซ่านมันลักษณะของสมถะนั้นจึงมีความไม่ฟุง้งซ่านเป็นลักษณะอวิเเคปะอวิเเคโปเนี่ยนะนั้นคำว่าสมถะนั้นกว้างศีลก็นับเนื่องในกลุ่มสมถะเพราะว่าผู้ที่รักษาศีลดีจะนํามาซึ่งความไม่ฟุง้งซ่านใครที่ฟุง้งซ่านแสดงว่าจะต้องพลาดแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งมาจนได้ความฟุ้งซ่านจึงบังเกิดขึ้นทบทวนดูเถอะจะรู้ว่าพลาดมาจริงๆเราจึงฟุง้งซ่าน ส่วนวิปัสสนานั้นก็คือความเห็นการพิจารณาเห็นแห่งวิปัสสนาเห็นยังไงก็คือเห็นโดยอนุปัสสนานั่นเองอนุปัสสนานั้นก็คือเห็นตามลําดับเห็นตามลําดับเห็นตามลําดับอย่างไรก็เห็นตามลําดับซึ่งลักษณะมีเห็นตามลําดับในลักษณะไม่เที่ยงเห็นตามลําดับในลักษณะที่เป็นทุกข์เห็นตามลําดับในลักษณะที่เป็นอนัตตา ปัญญาที่เห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาปัญญาที่เห็นลักษณะว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกขานุปัสสนาปัญญาที่เห็นลักษณะที่ความเป็นอนัตตาอันนั้นก็เป็นอนัตตานุปัสสนานั้นลักษณะการเห็นตามลำดับซึ่งลักษณะมีอนิจจารักษณะเป็นต้นชื่อว่าวิปัสสนานั้นลักษณะของวิปัสสนาคือการพิจารณาเห็นอนิจจาักษณะเป็นต้นนั่นเอง ในบุพบภาคในเบื้องต้นสมถะวิปัสสนานั้นต้องเจริญสลับกันไปนะสลับกันไปนะอันนี้พูดตามขณะจิตต้องสลับกันไปถ้าใครที่เจริญกรรมฐานยาวๆต่อเนื่องเป็นวันๆ น, นี้จะรู้ว่าจําเป็นจะต้องเจริญควบคู่กันไปสลับกันไปอย่างบางคนนั้นจะต้องที่จะอย่างพิจารณาอริยสัจพอพิจารณาไปพิจารณาไปจําต้องมาเจริญ อสุภะเป็นต้นเลยนะเจริญอสุภะเจริญอาการสามสิบสองพิจารณาอาการสามสิบสองให้จิตสงบแล้วก็พิจารณาอริยสัจต่อไปอีกสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้บางท่านเจริญพิจารณาอริยสัจพิจารณาขันธาตุอายตนะไปก็ต้องกลับมาเจริญเมตาก่อนเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองเจริญเมตตาให้แก่ผู้อื่นเจริญเมตตาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขจะได้มีเวรจะได้เบียดเบียนซึ่งกันแล้กัน พี่เป็นเมตตาจนจิตสงบร่มเย็นแล้วก็มาพิจารณาอริยสัจ ต, ต่อไปพิจารณาไปก็ฟุ้งอีกนะเริ่มเริ่มจะเครียดอีกแล้วก็มาเจริญเมตตาก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ถ้าใครที่บอกว่าเอาแต่วิปัสสนายอย่างเดียวนั้นถามว่าถ้าฟุ้งซ่านขึ้นมาจะทําอย่างไรถ้าฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วพิจารณาอริยสัจขณะนั้นเนี่ยเหมือนอย่างว่าไฟที่ลุกท่วม ต้องการจะดับไฟที่ลุกช่วมโดยการใส่ฝฟนเข้าไปเพิ่มฝฟนปริมาณมากมากไฟจะได้ดับใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะองค์จึงบอกว่าขณะที่สมัยฟุ้งซ่านมิใช่สมัยที่จะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงมิใช่สมัยที่จะเจริญวิริยะสัมโพชฌงมิใช่สมัยที่จะเจริญปีติสัมโพชฌงมเ่เพราะอะไรเพราะว่าขณะนั้นมันฟุ้งซ่าน เป็นสมัยที่ต้องไปเจริญปัตสัตที่สัมโพชฌงเจริญสมาธิสัมโพชฌงและเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงทีนี้ถ้าหากว่า ง, ง้อยเงาง่วงแล้วเอาเรื่องสมาธิมาเจริญอย่างเดียวน้อมไปแต่สมาธิเนี่ยเขาหลับสนิทเลยคนนี้เพราะฉะนั้นสมัยนั้นไม่สมควรเลยที่จะเจริญสมาธิสัมโพชฌงเป็นต้นต้องไปเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักสภาพจิต ของตัวเองเวลาเจริญเนี่ยนะสำคัญมากเวลาปฏิบัตินี่จะต้องรู้สภาพจิตของตนตามเป็นจริงอันะรู้ตามเป็นจริงนี่จริงแค่ไหนจริงว่าสมัยนี้ต้องเจริญโพษชงอะไรขณะนี้ต้องเจริญโพชชงอะไรขณะนี้ต้องเจริญปีติสัมโยชงเป็นต้นหรืออย่างไรจะต้องรู้กาละของตนเพราะเพราะพระองค์ตรัสว่าเจริญสมถะตามการเจริญวิปัสสนาตามการ เมื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาตามการอย่างนี้จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมถะและวิปัสสนานั้นทำรรกิจเสมอกันะเป็นเอกรดเนี่ยนะทำกิจเป็นอันเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสมถะวิปัสสนาถ้าทำรรกิจเป็นอันเดียวกันและไม่ล่วงเลยกันและกันเลยขณะนั้นเป็นขณะอะไรขณะอริยมรรคเกิดขึ้น ขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั้นสมถาวิปัสนาไม่ล่วงเกินกันและกันไม่ล่วงกันและกันไม่มีอะไรเหลื่อมล้ำไปกว่ากันจะต้องสมดุลพอดีเนี่ยนะเพราะว่าความพอดีแห่งอริยมรรคอริยมรรคนั้นเป็นธรรมที่ปรุงยากมากกว่าจะหาความพอดีให้พบเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติจนอริยมรรคเกิดขึ้นได้เนี่จึงจึงเป็นผู้ที่มีบุญมาก ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าใครที่เจริญพุทธคุณมากหน่อยจะระลึกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเข้าฟังธรรมมีการบรรลุอย่างมากมาย น, นะเข้าบรรลุได้อย่างไรหนอขณะที่เขาฟังธรรมเราไม่ต้องแปลกใจเพราะพระพุทธเจ้ามีอินทรียะประปริยัตญาณมียานที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์นั้นรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์เนี่ยนะ พระองค์รู้ว่าตอนนี้อุทธัจะเขาเกิดขึ้นพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้เขาสงบตอนนี้เขาถีนมิทธะแทรกพระองค์ก็แสดงธรรมให้เขาตื่นตัวตอนนี้สภาพจิตเขาเป็นอย่างนี้พระองค์แสดงธรรมเช่นนี้ไปเขาจะพิจารณาเช่นนี้เพราะพระองค์นั้นแสดงธรรมไปด้วยด้วยอนุสาสนีปาฏิหารขณะเดียวกันพระองค์ก็ตรวจ ด, ด้วยอาเทศนาปาฏิหารเรียกว่าส ตรวจ ด, ดูสภาพจิต ด, ด้วยบางขณะพระองค์ก็แสดงอิทธิปาฏิหาริ์ประกอบกันไปนี่นะพระองค์ใช้ทั้งปาฏิหาริษฐาสามแต่พระองค์ก็สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริษฐนะแต่ว่าสมัยพุทธกาลนั้นพระองค์ใช้ทั้งสามอย่างเพราะพระองค์นั้นถึงความเป็นสัพพันธ์อูรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็แสดงธรรมเมื่อพระองค์แสดงธรรมอย่างนั้นแล้วผู้ที่เขาฟังเขามีการปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าสอนขณะนั้นๆไปได้เขาก็สามารถตรัสรู้อริยสัจได้แต่ของเราทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้เราจะต้องมาดูว่าสภาพจิตตอนนี้เราต้องเจริญกุศลอะไรต้องเจริญสมถะอะไรสภาพจิตแบบนี้ต้องเจริญวิปัสสนาอะไรเพรา ะ, ะเราทั้งหลายเป็นจงมาตามรักษาจิตของตนรักษาด้วยอะไรนะด้วยสัมมาประธานด้วยอนุรักษณาประทาน รักษาสามถะและวิปัสนาให้สลับคระเคล้ากันไปเคียงคู่กันไปจนกว่าจะไม่ล่วงเลยซึ่งกันและกันก็จะเกิดการตรัสรู้อริยสัจได้ <c oughs> ทีนี้ต่อไปมาดูว่าผู้ที่จะตรัสรู้อริยมรรคได้จะต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพราะมรรคจะเกิดโดดโดดเกิดลอยๆเกิดแบบกบกระโดดไม่ได้นะกบนี่กระโดด จากนี้ไปถึงโน่นกระโดดไปได้เลยใช่ไหมเหมือนแม่นางนกเนี่ยบินบินข้ามอะไรไปก็ได้บินข้ามบ้านสักหลังหนึ่งก็ได้แต่อริยมตรตไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นธรรมที่กระโดดแบบนั้นไม่ได้มีปีกบินแบบนั้นเพราะนั้นอริยมตรตจึงมีเสิกขาโดยลําดับเนี่ยนะสิกขาโดยลําดับคืออธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเมื่อสิกขาสามประชมุมอริยมรคจึงจะเกิด ทีนี้ก่อนที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นนั้นอธิศีนชื่อว่าเป็นเบื้องตน้นศีลนี้เกิดขึ้นเมื่อสมาทานเมื่อสมาทานมันสภาพที่สมท า, านเนี่ยสภาวะที่สมาทานแห่งศิกขาคืออธิศีนและศิกขาจะต้องมีการสมาทานถ้าไม่มีการสมาทานแล้วศีลจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เะนั้นเรารับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าไม่มีการสมาทาน ศีลก็เกิดไม่ได้ท่า น, นต้องหมั่นสมาทานศีลเจริญศีลรักษาศีลตั้งใจเจตนารักษาศีลในทุกสภาพทุกอารมณ์เพราะลักษณะของศีลมีการสมาทานสภาวะของศีลมีการสมาทานทีนี้เมื่อสมาทานศีลจนตั้งมั่นพิจารณาอารมณ์ใดไม่มีอารมณ์ใดเป็นที่เหตุให้ล่วงศีล แต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เป็นที่ตั้งแห่งการล่วงศีลเลยก็โคจรไปในอารมณ์แห่งธรรมฐานเพราะผู้ที่สมาทานศีลเช่นเว้นจากปานาติบาตมากเท่าใดการเจริญเมตตก็โคจรไปได้เท่านั้นสมมุติถ้าเราอย่างอคนในห้องเราเนี่ยมานั่งกันอยู่นี้ถ้าเราสมาทานว่าชีวิตของเขาก็จงเป็นชีวิตของเขาขอให้ชีวิตเขามีอายุยืนเราจะไม่เอาชีวิตเขาหรอกนี่ยนะ เราจะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของเขาขอให้ชีวิตของเขายืนยาวนานขอให้ชีวิตของเขาเป็นไปได้ด้วยดีขอให้รักษาชีวิตให้อยู่เป็นสุขเถิดขั้นตอนแรกก็เป็นสมาทานศีลตอนหลังถ้าคิดไปบ่อยๆคิดมากๆก็กลายเป็นเมตตาหวังดีปรารถนาดีให้เขาประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นเมตตาก็โคจรไปในอารมณ์ที่เคยเป็นวัตถุแห่งศีลนั่นแหละเนะ กลายเป็นบุคคลเหล่านั้นที่เราเคยสมาทานศีลก็เป็นบุคคลที่โครจรแห่งวิปัสสนาแห่งสมถะแห่งเมตตาทีนี้ถ้าหากว่าบอกว่าทรัพย์ของผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นเถิดนะพวกวัตถุเข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดเราก็สามารถเจริญเกสินในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ได้เพราะวัตถุทั้งหลายเหล่านี้บางอย่างก็สีขาวสีเขียวสีเหลืองและสีแดงความที่อานาจพิชชาเรามีกําลัง จิตไม่น้อมน้อมมาเป็นของตนอนภพิชาก็เกิดขึ้นก็สามารถที่จะเจริญกสินบริกรรมเป็นต้นไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราสมาทานศีลที่เว้นจากการประพฤติอพรหมจันทร์เนี่ยนะก็คือมีการประพฤติพรหมจันทร์ก็มีกรรมฐานเนี่ยโครจรไปในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นใครครวรพิจารณาอาการสามสิบสองหรือพิจารณาโดยธาตุเป็นต้นได้อย่างลำดับเพลักษณะของ โคจรด้วยอำนาจกรรมฐานก็กรรมฐานเจริญกรรมฐานโดยอาศัยมีศีลเป็นพื้นมีศีลเป็นบาต ท, ทีนี้ถ้าเมื่อเจริญกรรมฐานไปแล้วเนี่ยเนยะเจริญศีลสมาทานศีลกรรมฐานโคจรไปเรื่อยใจมันชักยออ่อท้อละง่วงและถีนมิทะแทรกขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าต้องประคองจิตที่ยออ่อท้อ เพราะจิตย่อท้อเพราะอะไรเพราะขี้เกียจมันเริ่มมีกำลังขึ้นวิริยะไม่เกื้อกูลเลยก็เลยต้องเจริญธรรมะวิจยัยสัมพ่ชงเจริญวิรยิยาสัมพ่ชงและเจริญปีติสัมพ่อชงนี้พอเร่งไปเจริญธรรมะวิจัยมากขึ้นเพียรมากขึ้นฟุ้งอีกแล้วเราจิตก็ฟุ้งซ่านขึ้นพอฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็เหมาะแล้วที่ต้องเจริญ ปัสสทิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบคาสัมโพชฌงเพื่อที่จะสงบระงับดับไม่ให้อุทะจะกำเริบ